أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت ق ن س ه د ي ونعوذ بالله من ش ر من من ه ه ل من ل ل ا ل أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلله فلا هادئله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بدال رضى اللهم أنت الأول ف ل ي س قبلك ل ش ي ء Y, ah ay, و أنت الآخر فليس بعلك شيء و أنت ظاهر فليس فوقك شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء وأشهد ا, الله أ ah uh. ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله أرسل الله به ا ل داوين الحق ليصل ع ل الدين كله ولو كله الكافرون أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยินครับวันนี้ขอบาบสมบัตความ ล่าชานะครับผมแต่ว่าทำดีแล้วครับเราก็ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในคอสอธิบายอัลกุรอานเรายังคงพูดคุยกันในส่วนของซูรออัลเบลัดซึ่งตอนนี้ก็จะถือว่าเป็นตอนที่8ปากนี้ใช้ดีคุณอ น, นันต์ครับพี่น้องที่แรกบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมช่วงหลังๆมาแต่และซูรอเราใช้เวลาในการอถาธิบายกันมากขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างที่เราทราบก็คือปกติการเรียนการสอนจะจัดขึ้นที่มัสยิดช้างคาน ซึ่งก็ตั้งใจว่าจะให้คอสครั้งหนึ่งจบสุร้อหนึ่งก็พยายามอา อ, อัดมาแล้วก็ตั้งแต่มีช่วงของเรื่องโควิดเรื่องของอะไรก็เริ่มรู้สึกว่าผู้ร่วมชมเนี่ยผู้ร่วมรับฟังเนี่ยอาจจะเริ่มชิวๆกันได้ผมก็เลยชิวด้วยนะครับผมเราก็ไปกันเรื่อยๆครับผมหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหวังว่าเพื่อให้ อ, อัลลอฮ์นั้นพอพระทัยครับผมย้านะครับพี่น้องครับข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม เขาลำบากเราก็ลำบากเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเวลาเขาเจ็บเราก็เจ็บในเรื่องคื้นฐานความเป็นมนุษย์เนี่ยครับผมเหมือนกันต้องอดทนเหมือนกันเพียงแต่ความแตกต่างนั่นก็คือว่ามุสลิมเราเมื่ออดทนหรือเมื่อเราทําอะไรก็ตามแต่เราหวังความเมตตาจากล้อร้อยใหญ่ลืมนะพี่น้องกุญแจนี้สำคัญนะ พี่น้องถ้าพี่น้องต้องอดทนใช่ไหมถ้าพี่น้องต้องฟันฝ่าอุปสรรคถ้าพี่น้องต้องโดนบททดสอบใดก็ตามกุญแจที่สําคัญที่สุดก็คือทุกๆช่วงอารมณ์ของเรานั้นต้องพ่วงความรู้สึกว่าอยากให้อัลลอฮ์รักพอพระทยเราแล้วทั้งหมดจะเป็นผลบุญครับพี่นาองล่ะครับความเดือนตอนที่แล้วนะครับเราได้หยุดกันตรงอายะที่เกพูดคุยกันตรงอายะที่9หลังจากที่พระลอสุมาตระได้ทรง ตรัสไว้นะครับว่าอัลลอฮนเจอัลลอฮฺอินนินวลิเซนูวะชาฟต์อนในสโลบาร์ดครับหลังจากที่พวกเราได้ทรงสาบานด้วยกับสิ่งต่างๆที่เราพูดคุยกันไปแล้วแล้วพุมอลลก็ได้พูดถึงว่าพุมอลล์เป็นผู้เทีมนุษย์นั้นมีดวงตาแล้วก็ได้ให้เขานั้นมี1ลิ้นกับ2ปากประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะชวนพี่น้องคุยกันในวันนี้นะครับผมถ้าเราถอยกลับมาดูความหมายของอายะ เราได้ทำให้เขามี1ลิ้นในคนหนึ่งคนจะมีหนึ่งลิ้นวัชชะฟาเตนแล้วก็มีอยู่2อริมฝีปากมันมีนัยยะมีความหมายอะไรบ้างมันมีนัยยะความหมายอะไรบ้างการที่มีริมฝีปากมากกว่าลิ้นอย่างน้อยมีสองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกก็คือคนเรานั้นถูกสร้างมาให้เงียบมากกว่าให้พูดให้เงียบมากกว่าให้พูด อย่างที่เราพูดคุยไปแล้วว่าลิ้นนั้นใช้ดีคุณอนันนันแล้วก็หนึ่งในการใช้ลิ้นที่ดีที่สุดก็คือการที่ไม่ต้องให้มันพูดอะไรออกมาถ้าเกิดว่าการพูดนั้นจะยังผลเสียมากกว่าให้ผลดีหรือว่าพูดไปก็มีประโยชน์เหมือนกับฮริซิทา น, นาบีมัสลิมวะฮ์อิสลามได้บอกว่าไงครับใครก็ตามศัธาต่ออัลลอ์แล้ววันสิ้นโลกหากเขาพูดดีไม่ได้เขาก็ควรที่จะนิง่งเงียบเสีย ก็แปลว่าพวกเราทุกคนสามารถทําอิบาดา ไ, ได้แบบง่ายๆเลยทําตัวให้อ่อนลออักได้ง่ายๆเวลาที่ว่าบางทีเราอาจจะคิดมุกบางทีเราอาจจะคิดอะไรก็ตามแต่แเรารู้สึกว่ามีสตินิดนึงพูดไปบางทีมันอาจจะทําร้ายจิตใจคนอื่นเราอาจจะรู้สึกว่าขาบางทีบางทีมันอาจจะทําร้ายจิตใจเขาถ้าเราคิดทันเราไม่ได้พูดออกไปอินชาลอการเงียบนั้นจะได้ผลบุญการเงียบนั้นจะได้ผลบุญ เช่นเดียวกันครับนี่อีกมุมมองหนึ่งครับก็เกิดเรามองครับลิ้นฝีปากมี2ในขณะที่ลิ้นมีเพียงหนึ่งเดียวสแสดงให้เห็นว่าการที่จะหยุดลิ้นได้การที่จะหยุดลิ้นไม่ให้มันกระดิกไม่ให้มันพูดได้ต้องใช้ถึง2เท่าด้วยกัน2ลุม1ต้องใช้ลุมสอลิมฝีปากเพื่อที่จะปิดลิ้นไม่ให้มีเสียงออกมาเพราะอย่างที่ท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮิสซาลาムพูดในความหมายครับที่ว่ามนุษย์นั้นเขาจะถูก เอาผิดในทุกๆสิ่งที่เขาพูดจะถูกตรวจสอบในทุกๆสิ่งที่เขาพูดไม่ว่าเป็นการพูดเล่นหรือว่าพูดอะไรก็ตามซาบะเที ย, ยินครับตกใจแล้วก็บอกยาโรสุรลลอะเราจะถูกเอาผิดในทุกๆคําที่เราพูดเหรอท่านอับดุลเบี๊ย์มัสยิดส์ลัมก็ตอบับาสกิลัดจะอุมหมุกซึ่งจะมีความหมายว่ามันแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะเป็นอะไรอีกล่ะที่จะทําให้คนคนหนึ่งนั้นต้องถูกแน่ความไปกัดดินแล้วก็ถูกแลกลงไปในไฟนรก ถ้ามันไม่ใช่เพาะลิ้นของเขาเพราะฉะนั้นครับอย่างที่เราพูดครับว่าลิ้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคุณแล้วก็เป็นได้ทั้งโทษโทษเราพูดคุยกันจบไปแล้วเรื่องของคุณเราก็ได้พูดไปแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือประการแรกก็คือการเงียบนั้นถือว่าเป็นการที่เราทําดีที่สุดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ว่าควรจะเงียบหรือต้องเงียบแน่นอนช่วงชีวิตขอ ง, ของเรามันมีหลายสถานการณ์บางสถานการณ์เงียบไม่ได้บางสถานการณ์จําเป็นต้องพูด มันยากตรงนี้แหละครับในการที่เราจะต้องมาชั่งดูว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่บางทีคนทั้งโลกอาจจะมองว่าสถานการณ์นี้คุณต้องพูดแต่พวกรสัสบหาตระหน้าที่พค์ก็คือดีที่สุดคือเรามีพูดหรือบางสถานการณ์คงทั้งโลกบอกว่าคุณควรจะหยุดได้แล้วแต่หน้าที่อัลลอฮ์พวกอัลลอฮ์ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมีการพูด เพราะันการที่เราจะอยู่ในจุดที่เราจะแยกได้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ต้องพูดเมื่อไหร่ต้องไม่พูดถือว่าเป็นส่วนที่ยากลําบากสำหรับผู้สแตาซึ่งเราต้องใช้ระยะเวลาเราตลอดชีวิตครับเพื่อที่จะเรียนรู้วันนี้มีฮะดิษบที่หนึ่งก็ครับที่ว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องที่รักทุกท่านและเกิดว่าท่านใดมีความคิดเห็นมีไอเดียอะไรเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนอื่นขอทักทายพี่น้องก่อนนะครับผมก็ ค, คุณชื่อยาวนะครับผมเมือ่อหมอจะมาเจอหมีหมาวิ่งหีหมีชื่อ จ, จนจบเนี่ยนะครับผม <an> ผมคงไม่สามารถอ่านชื่อจบโดยที่ออกเสียงถูก <an> ได้นะครับผมสลามมาก็ไวลีกุมสลามรับตุลลอห์วะบารากาตุเช่นเดียวกับคุณซาดานะครับแล้วก็บังลูแมนครับผมบากักระฟีกุมแล้วก็พี่สลามนะครับทบหมดให้สลามมาก็ไวลีกุมสลามรับตุลลอห์วะบารากาตุนะครับพี่รรรรสลมาก็ทำดีและสัญญาณชัดเจน ในขณะที่คุณซาได้ว่าภาพเสียงชัดเจนอาจทำได้ถ้าชัดก็อาจทำได้ะนะครับยินดีด้วยครับผมคุณเลี้ยานะครับบอกคนหนึ่งจากสารยาพร้อมเรียนรู้บารกัอรกอลฟีกลุ่มครับผมก็ถ้าสัญญาณมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ขอรอตอบแทนทุกันด้วยความดีอแล้วกําลังคุยกันครับว่าเรายังอยากจะคุยต่อก่อนที่เราจะไปคุยถึงการราลึกถึงพ่ออลฟ์ซึ่งเราพูดคุยค้างกันไว้ในตอนที่แล้วผมมีฮาริสที่อยากจะมาแชร์ให้กับพี่น้อง โดยที่ว่ามันเป็นฮะดิษที่เหมาะกับพวกเราทุกคนผมใช้คำว่าเหมาะกับพวกเราทุกคนเลยในยุคสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงที่ว่าบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรฮะดิษบันี้จากท่านอับดุลลาฮ์บินอามบินอาสอั์น ن ه قال, all all am, ูก ا ลَ بينما نحن حاولَ الرسولِ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَقَرَ ا ل ف ِ ت ْ ن إذا رأيتم الناس ق ْ مرجت أ ه و د ه م وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فكنت كيف أفعل؟ ِ ن ذلك شعلني الله في ذ ا ك شعلني الله في ذلك ท่านอับดุลลาบินอัลบินอัสครับท่านได้เ ล, เล่าให้ฟังเขาว่ามีครั้งหนึ่งในงบรรดาซาบ้านั่งอยู่กับท่านาาลลาอับดุลลาห์ฮุสัยเยฮิบอัลสลัมแล้วท่านอบีก็ได้พูดถึงเรื่องฟิตรนาฟิตรนาถ้าเราสังเกตดูจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่บรรดาซาบานั้นให้ความระ ม, มัดระวังเป็นอย่างมากฟิตรนาคืออะไรครับฟิตรนาคือความวุ่นวายที่มันจะส่งผลกับการศรัทธาความวุ่นวายมีหลายแบบความวุ่นวายที่ว่าเลือดตกยางออกความวุ่นวายที่ว่าจะส่งผลดีนี่ครับ ความวุ่นวายที่ส่งผลเสียก็มีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้คําว่าฟิตนะขอยพี่น้องรู้ว่าหมายถึงความวุ่นวายความโกลานความสับสนความหายณนะที่ว่ามันจะส่งผลกับอ إ ي م านของผู้ศรัทธาโดยตรงเราเรียกก็ฟิตนะอย่างเช่นท่านอาบีวัสดันบอกว่าไม่มีฟิตรนาใดที่ฉันจะทิ้งให้ผู้ชายจะหนักยิ่งไปกว่าเรื่องของผู้หญิงก็คือบางที่ต่อให้เป็นผู้รู้ครับก็ตกมาตายกับผู้หญิงก็มีให้พบเห็นกันในสังคมปัจจุบันแล้วก็นับในอดีตมา เอาท่านนบีกำลังพูดถึงเรื่องฟิตรนะหลังจากนั้นครับท่านนบีมสลลุสลิมก็ได้เตือนบรรดาซาราบะเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นในยุค ข, ของซาราบะแต่ท่านนบีมสุส ล, ลิมเตือนว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใกล้วันสิ้นโลกซาราบะรอดอยู่แล้วแต่ซาราบะเหล่านั้นถ่ายทอดข้อมูลมาถ่ายทอดเรื่องราวมาให้กับพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้ระวังตัว เหมือนกับพี่น้องบางท่านอาจจะสงสัยเวลามีการพูดถึงสัญญาวันพิ้นโลกทําไมท่านอบีพูดไปตั้งนานหรือว่าเรื่องของเดดจนทำไมมีการพูดตั้งแต่นบีทุกยุค ก, ก่อนๆแล้วคําตอบก็คือเป็นการถ่าย โ, โอนความรู้ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินจินตนาการพลอล o s s มหาศาลนั้นให้ท่านอบีรู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนซึ่งเรายังมองไม่เห็นว่ามันใหญ่แค่ไหนแต่ท่านอบีเตือนว่าไงครับท่านอบีเเตือนไว้นะครับว่าเมื่อไรก็ตาม ที่คุณเห็นว่าผู้คนเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ให้ความสําคัญกับสัญญาของเขามีการรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทําแต่ไม่ทํารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไปแต่ก็ไม่ไปรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยท่านอบีอัลไซด์สัน บ, บอกว่าไงครับเมื่ อ, อไร่ก็ตามที่คุณเห็นว่าผู้คนใช้คําว่าอันนัสหมายความว่าจะเป็นเรื่องที่แพร่หลายมองพบเจอได้ทั่วไป คือปกติยิ่งในสมัยท่านอับดุมฮัมหมัดสุสญญลต่านฮุลิสซามีุขของซาฮับสัญญานี่คือคำไหนคำนั้นหนักแน่นเลยแต่ท่านอบีหับอกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องทั่วไปที่ว่าเวลาเราให้คํามันสัญญาอะไรบางทีรับปากกับลูกบางทีรับปากกับครอบครัวบางทีกับคู่ค้าธุรกิจบางทีกับอะไรบางทีก็ด้วยความขี้เกียจฉันไม่ทําแล้วกันเออไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ว่าหรอกอะไรก็ตามแต่มันกลายเป็นเรื่องแพร่หลาย ท่านอาวีนัสเตือนไว้สออย่างครับเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับคําสัญญาของเขาแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มพบเจอว่าเรื่องอามานะเนี่ยมาเริ่มมีการให้ความสําคัญน้อยลงคนเริ่มให้ความรับผิดชอบน้อยลงแม่ก็อยากจะทําแท้งลูกไม่อยากจะเลี้ยงดูลูกคนเป็นผู้ชายก็เพียงแต่ว่าอยากจะหลับนอนกับผู้หญิงโดยที่ว่าไม่อยากรับผิดชอบเด็กในท้อง รวบรวมรวมไปถึงอมานะทุกรูปแบบคนเป็นพ่อบ้านก็ไม่อยากจะเข้าบ้านไม่อยากจะรับผิดชอบภรรยาบางทีภรรยาคนนี้รับผิดชอบเหนื่อยแล้วก็อยากจะทิ้งไปดื้อแล้วก็ไปหาภรรยาคนใหม่หรือคนเป็นลูกไม่อยากจะเลี้ยงดูคนเป็นพ่อเป็นแม่มันเยอะขึ้นพี่น้องเห็นด้วยไหมมันตรงกับที่สัตวนบีบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเนี่ยผู้คนเนี่ยนะถึงเวลาเนี่ยเขาผิดคําสัญญาแบบเป็นว่าเล่นเลย แล้วก็ความรับผิดชอบเริ่มไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบแล้วพวกเขามีลักษณะที่ว่าอยู่แบบว่ามั่วสุมเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับผมท่านอบีเอามือมาอย่างนี้คือว่าคนมานี่แบบว่ามันอุลามุลมั่วไปหมดถ้าพี่น้องอยากรู้ว่ามั่วอย่างไรพี่น้องไปดูภาพที่เขาถ่ายเวลาที่ว่าคนในผับอะครับอย่างที่ล่าสุดก็มีผับดังแห่งหนึ่งที่ว่ า, าเป็นเหตุมีคนไปฉลองแล้วก็ติดโควิดถ้าดูภาพก็คือมันไปมั่วสุมอะไรแบบนั้นเลย ยุก่อนเขาใจินตนาการออกไหมครับนินธนาการไม่ออกคือจะกินเล่าจะอะไรยังไงคือมันไม่ได้มั่วขนาดนี้ท่านลบีบอกไว้สาอันเรียบร้อยแล้วพอท่านลบีมัสเรสรมพูดถึงจุดนี้ครับท่านอับดุลลาบินอัลบินอัสท่านยืนขึ้นเลยแล้วก็บอกยาละซุลลอห์ช่วยบอกผมเถิดผมอยากรู้จริงๆท่านใช้สำนวนที่ว่าท่านท่านอยากรู้มากท่านกลัวมากว่าท่านจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นท่านกลัวอะไรครับท่านกลัวว่าท่านจะไม่สามารถรับมือกับมันได้นี่คือซอฮาบะครับ ผู้ศรัทธาแบบที่ท่านฮัสซันบาซีบอกไว้ครับจะไม่มีใครกลัวการเป็นมุนาฟิกนอกจากเขานั้นจะต้องเป็นผู้ศรัทธามีเพียงผู้ศรัทธาเท่านั้นที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นมุนาฟิกแล้วมีเพียงมูนาฟิกเท่านั้นที่จะไม่กลัวว่าตัวเองจะเป็นมูนาฟิกนี่ก็เป็นเกณฑ์ในการวัด إ ي م านของเราถ้าเรายังกลัวอยู่กลัวว่าตัวเองจะเป็นมูนาฟิกอยู่อัลฮัมตุลิละอย่างน้อยในหัวใจเรายังมี إ ي م าน แต่ถ้าเรารู้สึกว่าฉันไม่เห็นกลัวมูนาฟิกฉันไม่มีทางเป้นหรอกนั่นแหละครับอันตรายแล้วกลับมาที่ท่านอับดุลลาบินอัลบินอาสครับท่านรีบไปถามท่านอาบีแล้วก็ถามว่าฉันควรจะทําอย่างไรดีท่านอับดีมัสลายสลัมบอกให้เราทําทั้งหมด6ข้อด้วยกัน6ประการให้เราทําผมใช้คําว่าให้พวกเราทําเพราะเราก็เริ่มเข้าถึงยุคนั้นแล้วแต่แน่นอนมันจะหนักขึ้นอีกแล้วจะหนักขึ้นอีกแล้วก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับผม โอ้พี่สาวผมมาด้วยนะครับผมพี่ฟาล่านะครับผมสระา ม, มาจากดราวันกุมสามลบตะลอบบรากาตุหวังว่าพี่กับครอบครัวคงจะสบายดีนะครับผมคุณปณีราม59าวครับภาพสิ่งชัดเจนวั um ดกุมศามอมดละนะครับผมเอาเรามาดูหข้อที่ท่านบีมัสเรศรามเตือนครับอัลซิมไบตก์กวัมลิกอาเลกาลิานกวคุสบมาตาริฟวัดะมาตุงเกิดว่าอาเลกบอัมลิขศตินัฟซิก ว่าด้านกาอัมลอามะรัวอัาห์มัดวะอับดาตุดวะลฮะคิมวะซะฮุวะวะฟักูอัลละฮาบีท่านนบีมศสมองเองครับอันซิมไปตักพยายามอยู่ให้ติดบ้านท่านนบีใช้คาว่าให้อยู่ติดบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าสังคมมาเริ่มฟอนเฟพี่น้องเราต้องระวังให้ดีมันจะหนักยิ่งไปกว่านี้อีกสังคมจะยากขึ้นไปกว่านี้จะแย่ขึ้นไปกว่านี้พิษณุมาจะมาหนักขึ้นเรื่อย เหมือนกับที่ท่านนบีมศสละสได้พูดไวในความหมายว่าไม่มีฟิตรณะใดจะเกิดขึ้นนอกจากฟิตรณะหลังจากนั้นจนหนักกว่าฟิตรณะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราเจอโควิดไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรอีกที่ว่ามันจะมาอันซิมไบตักอยู่ให้ติดบ้านถ้าไม่มีเหตุจําเป็นไม่ต้องไปที่ยวไหนไม่ต้องไปอะไรไงบางท่านบอกตอนนี้ทําไม่ได้อยู่แล้วมันติดโควิดอัลฮัมดุลิลลาครับก็แปลว่าในฮิกมาข้อดีของการติดโควิด เมื่อมันเกิดเราอดทนในความอดทนเราขอบคุณอลัลลอ์ที่มันทำให้เราอยู่ติดบ้านแล้วมันทำให้เกิดข้อดีต่า ง, า ง, างๆนานามากมายแต่ที่แน่ๆก็คือถ้ามันต่อให้ผ่านผลช่วงโควิดไปแล้วพยายามอยู่ให้ติดบ้านเพราะถ้าเราสังเกตดูครับปัญหามันจะน้อยลงถ้าคนออกนอกบ้านน้อยลงอันซิมไบตักวอมลิกไอเลกลิซนหลังจากนั้นท่านบับดลี๊ัสยิซมได้บอกข้อที่2ครับว่าระวังเรื่องของอะไรครับ ระวังเรื่องของลิ้นคุณให้ดีระวังเรื่องของลิ้นจับลิ้นให้ดีคือไม่ใช่ว่าคิดอะไรปุ๊บก็พูดอยากจะสนุกอะไรก็พูดผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องมีประสบการณ์หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยผ่านมาแล้วประสบการณ์ที่ว่าคนบางคนพูดเล่นกับเราในเรื่องที่เราขำไม่ออกบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งทำให้เราเศร้าบางทีเป็นเรื่องที่ทาใหเรารู้สึกแย่บางทีทาใหเราโกรธ บางทีเรามองไม่เห็นหว่ามันน่าจะหอวลอกขบขันตรงไหนแต่เขาสามารถขบขันกับมันได้แล้วบางทีเราก็ไม่อยากเจอหน้าเขาบางทีเราก็ไม่อยากพูดคุยกับเขา ก, ก็กลายเป็นห่างเหินกันโดยทีบทย่บางทีคนพูดก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้าบางทีคนพูดก็ไม่รู้ตัวด้วยคำเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับในเรื่องการที่เราใช้คําพูดโดยที่เราไม่ทันได้รู้สึกตัวแล้วมันกลับกลายเป็นคําพูดที่ทําให้พี่น้องไม่พอใจเรา แล้วมันกลับกลายเป็นคําพูดที่ทําให้พ่อรัสสุบฮานตานั้นรังเกียจเราเหมือนกับที่ท่านนบีมุสลิมได้พูดไว้ในความหมายที่ว่าคนบางคนเขาอาจจะพูดด้วยกับคําพูดเดียวที่เขาไม่ได้รู้สึกรู้ษาอะไรกับมันคําพูดเดียวที่เขาไม่ได้รู้สึกรู้ษาอะไรกับมันแต่มันเป็นเหตุที่ทําให้พ่อะัสให้เขานั้นอยู่ห่างไกลจากสวรรค์ถ้าห่างไกลจากสวรรค์มันแปลว่าอะไรครับห่างไกลจากสวรรค์ ถ้าไม่ไปสวรรค์มันก็เหลือไม่กี่ที่ให้เราไปนะครับโนอุสบินะฮินดาลิกเราวางเรื่องของลินนี่คือประเด็นที่เรากำลังพูดคุยกันก็คือการทำอิบารดาของลิ้นที่ดีที่สุดง่ายที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการเลือกที่จะเ ง, งยียบซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเจอในพ่อบ้านที่แต่งงานแล้วห ล, หลายปีอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งบางคนก็บอกอาจารย์ไม่ใช่ที่เงยียบก็คือกลัวพูดและทะเลาะนั่นก็ถือเป็นข้อดีแล้วะครับ ถ้าเรารู้ว่าพูดไปจะเกิดทะเลาะพูดไปแล้วจะเกิดปัญหาการที่ไม่พูดอินชาลอครับจะได้ผลบุญจากอันรอจะได้ผลบุญจากกันรอครับแต่เรื่องของออหน้าที่สามีภรรยาเดี๋ยวอินชาลอเราค่อยไปคุยในที่ก็คือในครอบครัวสุขสันต์จะได้เอามาพูดอย่างละเอียดใ น, นอินชาลอนะครับผมหข้อพูดไปและสองข้อข้อแรกอรัลซิมไบตักอยู่ให้ติดบ้านข้อที่2ระวังลิ้นข้อที่สคุสบีมาตาอัล อันไหนที่เรามั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องทำไปเลยยึดให้ดีเลยแล้วก็ทำตามสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันถูกต้องที่สุดเป็นสิ่งที่อลรักมากที่สุดวาดะมาตุงเกิดอะไรก็ตามที่เรามั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ว่ามันขานกับนิสัยคุณลักษณะที่ดีทิ้งมันไปสิ่ง ที่ดีทํามันให้เยอะเท่าที่เป็นไปได้ยุคปัจจุบนันนี้มีโอกาสทําความดีเยอะแยะอะไรที่ดีเนะี่ยทำให้มันเยอะๆอะไรที่มันไม่ดีเนะี่ยระวังไม่ต้องไปทํามันว่าอะไรกับิอัมเดลชอสตินัสซิกแล้วเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องตัวเองก็พอให้ความสําคัญกับเรื่องตัวเองก็พอหมายความว่ายัางไงครับ ไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องไปเตือนคนอื่นไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องไปหวังดีกับคนอื่นไม่ใช่หมายความวาไม่ต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่หมายความว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งครับจุดที่เราว่าเราพูดไปเขาก็ไม่ฟังปัญหามันก็จะเกิดขึ้นบางทีพูดไปมันยิ่งทะเลาะมันยิ่งแย่สถานการณ์มันจะยิ่งเลยเถิดอย่างน้อยที่สุดเราต้องเอาตัวเราให้รอดเพราะมันตรงกับคาสั่งของพเราในยักกวานที่ว่า ยะอายุฮัลลีนอามนูกูอังฟุสะกุมวะอหลิกุมนารอศัทธาชนทั้งหลายเจ้าจงเอาตัวของเจ้ากับครอบครัวของเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกแปลว่าอามานะหลักของเราครับอามานะหลักของเรามันไม่ใช่ว่าคนอีกเมืองหนึ่งคนอีกประเทศหนึ่งคนอีกพื้นที่หนึ่งละหมาดหรือไม่ละหมาดแต่อามานะหลักของเราก็คือตัวเราเนี่ยละหมาดไหม ครอบครัวเราเนะ่ยละหมาดไหมคนบางคนครับทุ่มให้กับความสําคัญกับการทําบิบลาศของคนอื่นจนไม่ได้กลับมามองตัวเองหรือมองครอบครัวของตนอย่าลืมครับอามานะหลักมันยามานะหลักมันมีอามานะรองมันมีสิ่งที่ไม่ใช่อามานะด้วยซ้ําแต่คนปัจจุบันบางทียิ่งถ้าเกิดแล้วดูตามหน้าเฟซนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องใครตัวเหลือเกินท่านนบีมัสไซส์ท ร, รัมมก็เตือนว่าไงครับเอาตัวของคุณให้รอดก่อน แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของชาวบ้านไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะคบกับใครใครจะเลิกกับใครใครว่าอะไรยังไงเราหรือป่าเขานิงทาใครใส่ร้ายใครทําให้เรารู้สึกแย่ yeah. ท่านอบีบอกตัดการรับรู้เรื่องพวกนี้ออกไปซะแล้วชีวิตจะมีความสุขคุสมาบีมาตาฤทธวะดามาตุงเกียรวะไอเลกาบีอัมดีข้อสตินัฟซีวะดาอั้งกะอัมลุลอัม นี่คือหข้อที่ท่านอับดุลลาห์ของอะลัยสลามเตือนไว้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าฟิตรณะมันเริ่มเยอะปัญหามันเริ่มเยอะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะพบเจอผู้คนเริ่มรู้สึกว่าทําไมการเป็นมุสลิมในดุนยามันหนักเหลือเกินท่านอับดุลลาห์สลามเตือนไว้ครับบอกว่าหข้อนี้แหละอยู่ให้ติดบ้านระวังเรื่องการใช้ลิ้นอันไหนที่มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องทําไป อันไหนที่มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีระวังอย่าไปทําสนใจเรื่องของตัวเองให้มากที่สุดที่เป็นไปได้ทําตัวเองให้รอดพ้นทาตัวเองให้รอรักมากที่สุดแล้วก็เรื่องของคนอื่นก็เผาเผาลงหข้อนี้ได้อินชาลอครับเราจะสามารถอยู่ในสภาพของผู้ศรัทธาได้อินชาลอครับผมโอเคครับทีนี้เรากลับมาต่อในเรื่องที่ว่าการทําอิบาร์ดด์ด้วยกับลิ้นเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องที่ว่าลิ้นนี้ใช้ดีคุณอันอันอันแรกง่ายที่สุดแล้วก็คือด้วยกับการที่เงียบซะ เลือกพูดในกรณีที่มันจําเป็นก็คือพยายามคิดให้ดีก่อนที่จะพูดอันที่สองครับลิ้นจะใช้เป็นประโยชน์ได้ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้ในการรำลึกถึงอลัลลอ์เมื่อเราใช้ในการขอดูอาเพราะชีวิตเรามีแต่ปัญหาครับคนบางคนเกิดมานี่คือเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตไม่ได้โรยบันดิกุกลาเลยบางคนเกิดมาก็ทุกทรมานบางคน ตั้งแต่เด็กนะครับก็อาภาพก็เตอบททดสอบก็ไม่เคยเจอความสบายจนกระทั่งเหลื่อมโตมาจนกทางมีครอบครัวแต่งงานมาจนกระทั่งทํางานจนทั่งแก่ตัวมาบางคนโดนทดสอบหนักมาตลอดชีวิตสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือความเมตตาจากองค์ลอความช่วเหลือจากพระอะค์มนุษย์บางทีเขาไม่รู้หรอกบางทีเราอาจจะร้องไห้อยู่ในใจแต่ไม่มีใครรู้ แต่พระองค์พระสุภานุตานั้นพระรู้จักเราดียิ่งกว่าใครเพราะนั้นพวะงคือผู้ที่เราควรจะต้องรำลึกถึงให้มากที่สุดเราจะรำทึกรำลึกถึงสิ่งถูกสร้างสิ่งถูกสร้างก็มีช่วงที่เขาไม่สบายก็มีช่วงที่เขาหลับก็มีช่วงที่เขาเหนื่อยก็มีช่วงที่เขาช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราขอจาก พ, ก Allah, Allah ad, พกระองค์อลลอฮฺอัลละอัสมาดพระองเป็นที่พึง่งอ al ัลลอฮฺอัลอาวุลอัลอาฮิรอัลจาฮิรอัลบาติน เป็นผู้ที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยจะอยู่กับเราไปตลอดจนกระทั่งให้ความเป็นอมาตะกับเราได้ซ้าการนึกถึงอัลลอฮ์ครับผอัลลอฮ์เมื่อได้ก่าวไว้ในที่เคยมาบุคคลิกมามมุสลิมเาว่ามันザกรนีฟีนับซีฮีกรตฮูฟีนัซว่ามันザกนีฟีมาลาอินザการตูฮูฟีมาลาอินคอรมินมใครก็ตามคิดถึงฉันในใจขาฉันก็จะคิดถึงเขาในใจ พี่น้องที่รักการที่พี่น้องลังจิตตนาการพี่น้องเคยรักใครสะกดนไหมใครที่พี่น้องทั้งรักทั้งเคารพอาจารย์ท่านไหนก็ได้ถ้าพี่น้องรู้ว่าเขาคิดถึงพี่น้องเนี่ยพี่น้องรู้สึกมีความสุขไหมแหละเอาคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เรารู้สึกลหลงใหลได้ปื้มเขารู้สึกดีๆกับเขากับมครคลุกด้วยกันถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาคิดถึงเราเราก็มีความสุข อันนี้พงศลัสุปาฮานฮวตาลาบอกว่าอยากให้ฉันคิดถึงเจ้าใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอยากเจ้าไม่ต้องไปทำตัวให้เด่นไม่ต้องทำอะไรมากขอแค่เราคิดถึงอัลลอฮ์นั่งอยู่เฉยๆเงียบแล้วคนมาชวนพูดคนมาชวนทะเลาะฉันก็เงียบแล้วทำอิบาดาละหนึ่งไหนๆก็เงียบแล้วไม่ได้พูดอะไรกมาคิดถึงอัลลอฮ์แล้วกัน الحمد لله سبحان الله ขอมาถ้าเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์อลัลลอฮ์ฝึความอดทนของฉันนะฉันก็อดทนต่อไป سبحان الله อัลฮัมดุลิล ล, ลาห์อัลลอฮ์หักบัดบางทีเขากำลังด่ามาเราเราอาจจะยิ้มโดยไม่รู้ตัวก็ได้เราอาจจะยิ้มโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะาเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮใครล้ำลึกถึงฉันในใจฉันก็จะล้ำลึกถึงเขาในใจใครที่ล้ำลึกถึงฉันท่ามกลางผู้คนฉันก็จะล้ำลึกถึงเขาท่ามกลางผู้คนที่ดีกว่า เวลาเราพูดถึงอัลลอฮ์อย่างตอนนี้เราคุยเรื่องศาสนาของพวกอัลลอฮ์ผมพูดคุยกับพี่น้องพี่น้องทักทายกับผมมาเราพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สุบานุอัตตาล่พวกอัลลอฮ์ก็กําลังคิดล้ำลึกถึงแล้วก็กล่าวถึงพวกเราทุกคนหน้าที่ของพวกอัลลอฮ์แล้วก็ชาวฝาบราเมริกา้าหมุกรอบูญคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกอัลลอฮ์เมริก้าที่แบกอลัลลอฮ์ของพวกเ ม, มริก้าที่ว่าอยู่ใกล้ชิดมีแต่เมริก้าระดับสูงที่อัลลอฮ์รักเท่านั้น แล้วพวกเราก็คิดถึงพวกเราก็บอกว่าเนี่ยไอดีนะหรืออาจจะเป็นคอดี้หรือว่าอาจจะเป็นใครก็ตามแต่อาจจะเป็นพี่ซันม า, า จ, จะเป็นพี่ฟาราหรือใครก็ตามแต่เขากำลังลํำลึกถึงฉันอยู่พูดให้เมริกาได้ยินพี่น้องที่รักครับเมื่ อ, อไรก็ตามที่พวกล็อรักใครสักคนพวกเราจะบอกกับท่านจิบลินว่ายายจิบลินฉันรักคนคนนี้คุณจงรักเขานะ ท่านชีบดีนก็จะบอกกับมาลาทุกคนบอกว่ามาไรากาทั้งหลายพวงล้อรักคนคนนี้พวกคุณก็จงรักเขาการที่มาไราการักเราพี่น้องครับเราไม่รู้เป็นเรื่องเอ็มูนเกรปแต่มาไรากาอยู่รอบตัวเราตลอดเวลามาไรากามีกิจการงานที่พวงล้อให้ท่านเหล่านั้นทําแล้วท่านเหล่านั้นก็ขอดูอาให้กับผู้ศรัท ธ, ธาด้วยขออภัยโทษให้กับผู้ศรัท ธ, ธาด้วย พี่น้องหลายครั้งครับที่เราจะพบว่าถ้าเกิดเราดินว่ามีอาจารย์สักคนดูอาให้กับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหามีความสุขโอ้แลฮทำดีนแล้ววันนี้อาจารย์ดูอาให้กับฉันขอล้อตอบรับอาเมนรู้สึกมีความสุขอันนี้บรรดา ม, มาลาอิกะผู้ที่ไม่เคยฝา่าฝืนต่อละขอดูอาให้พี่น้องไม่ยิ่มีความสุขเลยถ้าเราทําตัวให้ล้อรักถ้าเราทําตัวตามที่ออล้อสั่งใช้ไม่ใช่แค่มาลาอิกะสรรปรสิ่งทุกอย่างแม้แต่ปลาในมหาสมุทร ก็จะขอดูให้กับเราด้วยกับความรักความพอใจที่มีต่อพวกเราซุบฮานุหัวตจและแย่ยิ่งไปกว่านั้นเราพูดถึงด้านดีเนาะด้านดีนี่ก็คือการรำลึกถึงพวกอัลลอ์ดีงามขนาดนี้ในเร่อคำพิมมาบุคคลิกเกนมุสลิมครับมัดุลลาีนีย์สกุลรับบะวลลาีน่าวัลีลายสกุ ah, ลรับบะ ah, มั่นลุลมั่นจลุลไวัลไมยต คนที่รำลึกถึงอัลลอ์กับคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอ์มันก็เหมือนคนเป็นกับคนตายพี่น้องครับหัวใจที่ไม่รำลึกถึงอัลลอ์คนที่เขาไม่รำลึกรำลึกถึงอัลลอ์คนที่เขายึดอยู่แต่ดุนยาหัวใจเขาจะแห้งหัวใจเขาจะตายมีเรื่องที่น่าสนใจครับคนที่หัวใจตายเขาจะไม่มีวันรู้ว่าเขาหัวใจตายจนกว่าอัลลอใ์จะให้หัวใจเขามีชีวิต แล้วเมื่อนั้นครับเมื่อเขาหันกลับไปดูในอดีตเขาจะพบว่ายาอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะที่ให้ฉันรอดพ้นออกมาจากสภาพของคนที่หัวใจตายพี่น้องหลายเคยลายท่านเคยมาพูดเคยมาแชร์ครับถึงอดีตว่าในอดีตฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันไม่ลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยฉันไปเที่ยวผับมาฉันไปยุ่งกับสิ่งที่ฮารอมฉันไปทำอย่างนั้นฉันไปทําอย่างนี้แต่ตอนนี้อัลลอฮ์เปิดใจฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันเมื่อหันกลับไปในอดีตฉันกลับรู้สึกว่า ทำไมตัวฉันในอดีตมันถึงตกต่ำได้ขนาดนั้นทาไมหัวใจฉันถึงแย่ขนาดนั้นบางสภาพจะไม่มีใครรู้จนกว่าเขาจะผ่านมันมาได้เวลาใครก็ตามที่หัวใจตายไปแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าหัวใจเขาตายนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่ว่าเราให้หัวใจเขามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเขาจะค้นพบสิ่งที่ว่าเขาต้องการมากที่สุดในชีวิต คนนั้นพี่น้องที่รักขั้นใดที่ว่าหัวใจมีชีวิตที่ว่ายังรำลึกถึงพว้อัลลอฮ์อยู่นั่นคือหัวใจของผู้ที่มีชีวิตต่อให้เราทําผิดต่อให้เราทําอะไรไปถ้าเรายังมีความรู้สึกผิดอยากกลับเนื้อกับตัวต่อ Allah, อัลลอฮ์นั่นคือยังมีโอกาสนั่นคือยังมีโอกาสก็ขอด dua ให้พวกเราทุกคนนั้นมีหัวใจที่ว่ามั่นคงในการ ลำลึกถึงพวกลอสุภานุวตาละซึ่งในฮะดีษของถ้าเป็นในสำนวนขออ้ายมา穆สลิมครับท่านอบีจะบอกว่าบ้านที่มีการล้ำลึกถึงพวกล้อกับบ้านที่ม่มีการรู้ถึงอัลลอฮ์ก็เหมือนกับบ้านที่มีต่อยู่ของคนเป็นกับบ้านของคนตายบางทีครับพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านถึงเวลากลไปทุรัของตัวเองพอ่อกลับไปทํางานแม่กว่าจะไปทํางานปัจจุบันต้องช่วยกันทํางาน หรือแม่อาจจะไปที่อื่นไปซื้อของไปแล้วก็ตามแต่ลูกกับไปโรงเรียนหลือแล้วก็ตามแต่พอกลับมาที่บ้านปุ๊บก็ต่างคนอาจจะอยู่หน้าจออาจจะพูดคุยกันอาจจะติดตามเรื่องข่าวอาจจะพูดนินทาบางครอบครัวแทบไม่เคยพูดคุยเัน่รื่งังศาสนาเลยบางครอบครัวแทบไม่เคยพูดถึงเรื่องศาสนาเลยท่านนบีมุสลิสรำบอกว่าครอบครัวนั้นเหมือนกับครอบครัวคนตาย บ้านนั้นเหมือนบ้านคนตายคนคนนั้นเหมือนคนที่เขาตายไปแล้วนะอูซูบิลเลยมินซาลิกพี่น้องที่รักยิ่งครับมุสลิมเราเราอยากจะทำสิ่งที่ดีดีถูกไหมครับใครๆก็อยากทำสิ่งที่ดีเมื่อเราเป็นมุสลิมเราก็อยากให้รอลักเราท่านอุมุสลิมได้พูดเอาไว้ครับว่าอ่าลอุนับบิอุกุมจะไม่ให้ฉันบอกพวกเธอหรอเธอไม่อยากรู้หรอพวกคุณไม่อยากรู้หรอถึงการงานของพวกเธอ ที่เป็นที่พอใจของอัลลอฮ์มากที่สุดอ่าพี่น้องสนใจไหมล่ะท่านอบีบอกมาอย่างเงี้ยอยากรู้ไหมการงานที่ทําให้อัลลอฮ์พอใจมากที่สุดไม่ใช่แค่อัลลอฮ์พอใจมากที่สุดนะอัลลอฮ์พอใจมากที่สุดนี่สุดๆแล้วแต่ท่านอบีบอกว่ายังมีมากกว่านี้อีกว่าอารฟะอูฮาฟิดารชาติกุมนอกจากพวกอัลลอฮ์จะพอใจพวกคุณมากที่สุดแล้ว ลำดับขั้นของพวกคุณก็จะขึ้นไปในระดับสูงด้วยแล้วมันดียิ่งกว่าการที่คุณใช้จ่ายทองคําหรือว่าใช้จ่ายเงินดียิ่งกว่าการที่คุณได้รับเงินได้รับทองด้วยแล้วก็ยิ่งกว่าการที่คุณออกไปทำสงครามแล้วก็ไปต่อสู้กับศัตรูของคุณซุบฮานะลอ์กอรูวะมาดะกียะรอสูละลอห์บรรดาสาบาก็ถามว่าราสูรลอ์มันคืออะไรเลย ฟังดูมันยอดเยี่ยมมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันทําให้อัลลอฮ์พอใจเรามากมันเป็นสิ่งที่แบบว่าพี่น้องอยากได้กันใช่ไหมล่ะใครๆก็อยากได้ถ้าเป็นผู้ศรัทธาพวกเราบอกว่าไงครับซิกรุลลอฮ์ตอบกันสั้นๆเลยฮะดิษบทนี้เช็คคัมภีร์ว่าเป็นฮะดิษที่ส่องเหี้ยครับผมอยู่ด้วยความขอัอดูมาจ้ารำลึกถึงอัลลอฮ์ หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าการนำลึกถึงพวกรอจะเพิ่มคุณภาพของทุกการงานที่เราทำง่ายไม่ง่ายแต่ว่าทำง่ายัหมไม่ง่ายนะบางคนทั้งวันอยู่แบบว่างๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ยังไม่มีเวลาลำลึกถึงอวรสขนาดว่างในขณะที่บางคนครับงานทำเยอะมีงานต้องทำเยอะไปหมด ไหนจะงานบ้านไหนจะต้องทำอาหารไหนบังจะต้องทำงานไหนจะต้องเรียนแต่เขาสามารถลํำลึกถึงเราได้ตลอดเวลาทำงานบ้านก็นส Allah, Allah, al ุบฮนั kami, ่นแหลฮะมดุลิลาห์วะลาอัลลอฮ์วะลาห์อัลกัรวะลาฮ์ฮะวะลากูเอตอิลลาบิลลาหิลิลออูดมหรือว่าอัสลัมุลลอห์หรือว่าอัลลอฮไมอินนีกุนุบฮะักม่หัมดิ่ะหรืออะไรก็ตามแต่าปเรื่องของการลําลึกถึงอัลลอฮ์ทอะไรไปปุ๊บคิดถึงอดีตตัวเอง ละอิลลั่อิลลั่ห์แต่สุบฮานะกะอิมุนกุนตุมนะอิมนมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมากเพราะเราไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยพี่น้องไม่ต้องการเงินในการรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องการเวลาว่างในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ต่อให้ยุ่งอยู่ก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ได้เป็นการงานที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วพี่น้องว่ามันมีบางคตการเบจะมีอะไรง่ายกว่า น, นี้อีกไหมล่ะครับ ง่ายที่สุดแต่มันแกตกว่า อ, อ, อะไรไที่มันง่ายๆเนี่ยเป็นการเี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เห็นด้วยไหมครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ไอเรื่องง่า ย, ายๆนี่แหละที่เขากันว่วากันว่าง่ายเนี่ยเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วพี่น้องว่ามันมีบางดุอาจากจะละลหอต้องพย า, ยามดูอาจากลลอให้มากๆให้ว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ว่ามีหัวใจผูกพันกับผู้ละล้อยอย่างแท้จริงเพราะผละล้ อ, อนั้น รักเราอยู่แล้วปัญหารอเหลือแค่ว่าแล้วเราเนะี่ยรักพระ อ, องค์ด้วยหรือเปล่ปาปัญหาอยู่แค่นั้นท่านอบีบอกง่ายๆครับการงานนี้ถ้าเราออกคาว่าการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ไปพ่วงกับทุกการงานเราได้ทรัพย์สินมาพวกกับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลฮัมดุดีละการได้รับสินทรัพย์สินนั้นมาเป็นบราระกาให้กับเราแล้วเราก็จะมีสติในการใช้มันเพื่อให้อัลลอฮ์รักถ้าเราจะจีฮัตลําลึกถึงอัลลอฮ์แล้วจีฮัตการจีฮัตนั้นก็มีมูลค่า เพราะฮะดิษบทนี้จึงไม่ใช่หมายความว่าให้เราทิ้งการทําดีทุกอย่างให้ลําลึกถึงพระลอทอย่างเดียวแต่ฮะดิษบทนี้หมายความว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่เป็นอีบาดะคุณต้องลําลึกถึงอัลลอฮ์การงานนั้นมันถึงจะมีคุณค่ามันถึงจะมีคุณภาพเหมือนกับการงานที่ประเสริฐที่สุดของผู้ศรัทธาครับการละหมาดเสาหลักของศาสนาแต่ถ้าละหมาดโดยที่ไม่ลําลึกถึงอ AH, ัลลอฮ์ล่ะมันจะมีคุณค่าไหมนะที่อัลลอฮ์ ทนอบลเบี๋อัละจาัมบอกคนมาคนละหมาดได้แค่หนึส่วนสิบคือสอบตกนะพี่น้องคือละหมาดเหมือนไม่ละหมาดละหมาดแล้วอัลลอ์ไม่รับละหมาดแล้วเป็นบาปให้กับเขาอีกถึงเวลาพราะเราจะเปลี่ยนหัวเขาเป็นหัวลาอิบาดาที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าใจเราไม่ได้มาด้วยสาหรับอัลลอฮ์มันกลายเป็นอิบาดาที่ ไม่มีคุณค่าเลยสมหรับพระองค์ก็เป็นเรื่องที่ว่าพี่น้องที่รักทุกท่านเราต้องระวังเราต้องระวังประเด็นนี้ให้ดีครับผมฮะดิสต่อมาครับครั้งหนึ่งครับมีสหบาติท่านหนึ่งไปปรับทุกกับท่านอาบีไปสารภาพไปพูดตัดพอหรือว่า ระบายให้ท่านน บ, บีฟังใช่ค ว, ว่าระบายน่าจะเหมาะที่สุดครั้งหนึ่งครับมีซอบา ท, ท่านหนึ่งครับไประบายให้กับท่านอับดลีมัสัมฟังครับล้วก็บอกว่ายา رسولullah إن شاء إله الإسلام قد كثرت عليه فأخبرني بأمر أتشرح بثو به ยา ر س و ل u l l a เรื่องราวคำสอนในอิสลามเนี่ยช่างมากมายเหลือเกิน เยอะเหลือเกินอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ควรอันนี้ก็ควรควรเยอะไปหมดเลยเขาไปหานาบีแล้วบอกยาโรโซ ล, ล้อมันเยอะเหลือเกินสําหรับผมช่วยบอกผมสักอย่างได้ไหมอะไรก็ได้ขออย่างเดียวที่แบบว่าผมจะทําแล้วผมจะไม่ทิ้งเด็ดขาดเลยที่ว่ามันดีที่สุดสําหรับผมคือต่อให้ผมจะพลาดอย่างอื่นผมก็ยังไม่พลาดความพอใจของล้อ ฉันก็ยังไม่พลาดความพอใจของลอท่านอับดลมัสลิสซามตอบง่ายๆครับบอกว่างครับและยะเจลุดิเซนุกะรถบันมินติกวินละง่ายๆเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะเธอจะได้ไม่สับสนยิ่งพูดน้อยยิ่งเข้าใจง่ายนะอย่าให้ลิ้นของเธอแห้งจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์คือพยายามให้ลิ้นเนี่ยชุ่มฉ่ำกับการลำลึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาลำลึกเป็นประจำ เวลาทําอะไรพี่น้องคิดถึงอลัลลอฮ์เยอะๆแล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยยินงถเกิดว่าเราไม่ค่อยลําลึกถึงอลัลลอฮ์นะพี่น้องทําอะไรอย่างที่บอกทําอะไรล้าลึกถึงอลัลลอฮ์ได้หมดเลยโดยเฉพาะถ้าอยู่ตามลําพังแทนที่พี่น้องจะเศร้าแทนที่จะเหงาแทนที่จะน้อยใจพี่น้องมุ่งไปหาอัลลอฮ์ลําลึกถึงอลัลลอฮ์พี่น้องจําได้ไหมท่านอับดุลเบี๊ยมัสยะสัลัมบอกว่าหนึ่งใน7กลุ่มชนที่จะได้อยู่ในร่มเงาของพวอ้อัลลอฮ์ในวันกิยามะ วารจุลินด์ักรอหละคอลียนบัฟเดั้งไอหน้าโหพวกเราทุกคนมีโอกาสอยู่ในร่มเงาของพ่อเลาะหมดเลยบางคนบอกว่ายากไม่ยากครับพี่น้องเนดิสนาบีบอกว่าใครก็ตามที่เมื่อเขาล้ำลึกถึงพ่อเลาะตามลําพังแล้วเขาร้องไห้เนืยอกับความรู้สึกที่มันท่วมท้นอาจจะเป็นเนื่องกับความรู้สึกผิดว่ายาเอาเลาะในอดีตเนี่ยฉันอาจจะ คิดน้อยเกินไปในอดีตเนี่ยฉันอาจจะหุนหันเกินไปฉันทําลาดไปแล้วในเรื่องนั้นยาละบางเรื่องเนี่ยตึงจนถึงปัจจุบันฉันก็ยังทำทำมันไม่ดีอยู่ยาละตรงนี้ฉันก็อยากจะดีขึ้นยาละตรงนี้ฉันก็พลาดไปแล้วด้วยกับความรักที่มีต่อล l l a h ด้วยกับความผูกพันที่มีต่อ Allah ท่านนบีบอกว่าเขาได้รับการรับประกันจากผู้ว่าละซุบฮานูวาตาแล้ว่าในวันเกียรมะช่วงถูกสอบสวน ช่วงที่จะไม่มีร่มเงาใดๆเลยนอกจากร่มเงาจากพระองค์ลอสุบฮาห์นูตาลาเท่านั้นคนที่จะได้อยู่ในนั้นมีโอกาสเป็นพวกเราทุกคนก็ขอดโดยจากพระองค์ลอสุบฮาห์นูตาลาให้พวกเราอยู่ในกลุ่มที่ได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์ด้วยเถิดนะครับอาเมนครับผมพี่น้องครับฮะดีษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมากมายไม่เป็นเรื่องของการล้ำลึกที่มันง่ายๆทิทรนาบีบอกว่ามันเบาลิ้นแต่ว่ามันหนักตาช่าง แล้วก็เป็นที่รักสำหรับอบัลลอ์เช่นคว่าุบานัลลอฮวบัมดีฮีสุบานัลลอฮแอัลีมใน่ใครมาบุคีมามุสลิมมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะพูดกันคือพี่น้องคิดอัไหนได้พี่น้องพูดพี่น้องคิดอะไรไม่ออกอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลาา ล, ลาอัลฮัมดุลิลลาบุบานัลลอฮอัลลอฮอักคิดอะไรไม่ออกก็เอาอะไรง่ายๆครับผมคาถามที่น่าสนใจครับ จากคุณฮาวานะครับว่าการระบายถึงบททดสอบมันมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่กลายไปเป็นการบน่นประการแรกที่สุดครับพี่น้องผมชวนคุยถือว่าผมชวนคุยก่อนนะครับผมพี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าบุคคลประเภทไหนที่ไม่เคยบ่นเลยบุคคลประเภทไหนที่เขาไม่เคยบ่นเลยหรือบน่บนน้อยมาก อันนี้อยากให้ลองคิดกันก่อนอยากให้ลองคิดกันเราคิดว่าคนประเภทไหนที่เป็นคนที่แทบไม่เคยบ่นเลยหรือบ่นน้อยมากคำตอบก็คือคนที่โดนพุ่งล้อทดสอบอย่างหนักหนาสาหัสแล้วเขาก็มีความยำเกรงต่อร้อยเห็นด้วยั้ยครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อล้ออย่างแท้จริงเราจะแทบไม่เคยได้ยินเขาบ่นอะไรเลย ท, ท, ทั้งทางว่าชีวิตเขาอาจจะเจอบททดสอบหนักหนาเกินจินตนาการ ทำไมเขาถึงไม่บ่นให้คนอื่นเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮ์เขารู้ว่าตัวเขามาจากอัลลอฮ์เขารู้ว่าถึงเวลาเขาต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะบ่นบ่นให้กับผู้ที่ได้ยินเขาถ้าเขาจะบ่นก็บ่นให้กับผู้ที่ช่วยเหลือเขาได้ถ้าเขาจะบ่นก็บ่นให้กับคนที่รักเขาจริงถ้าเขาจะบ่นก็บ่นให้กับคนที่คอยรับฟังเขาตลอดเวลาก็คือลอสุบฮานุวาตาอัลาเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราบ่นอะไรให้ใครฟังเนี่ยครับพี่น้องที่รัก มันบ่งบอกถึงระดับอีมานความเข้มแข็งของเรามันบ่งบอกถึงระดับความเข้มแข็งอีมานของเราบางคนอาจจะแบบบางทีก็มีหลุดบ่นบ้างแต่พี่น้องสังเกตไหมถ้าเราบอกว่าคนที่บ่นน้อยที่สุดคือคนที่มีอีมานสูงที่สุดโดนทดสอบหนักที่สุดคนที่บ่นเยอะที่สุดมักจะเป็นคนที่แทบไม่ทำอะไรเลยพี่น้องลองดูสิถ้าเกิดว่ามีงานให้ทำนะแล้วทำเป็นกลุ่มนะ ส่วนใหญ่คนที่ทำหนักที่สุดและมีความอดทนเพื่ออัลลอฮ์เขาแทบจะไม่ปี่ปากบน่นทั้งๆ ท, ที่เขาอาจจะทำงานหนักที่สุดในกลุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีอิมานเป็นคนที่ไม่มีความอดทนต่ออัลลอฮ์บางทีแทบไม่ทำอะไรเลยแต่ถึงเวลาก็บทโอชันเหนื่อยเหลือเกินโอ้นี่มันหนักเหลือเกินเลยทำไมเนี่ยคนนี้มันกินแรงเหลือเกินอเนี่ยทำไมมันขี้เกียจมักจะเป็นแบบนั้นพี่น้องเห็นด้วยไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี่ยผมให้สเกลกันยิ่งบนน้อยยิ่งแสดงถึงอิมานที่มาก บ่นในที่นี้หมายถึงว่าพูดให้ฟังโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่เรื่องของการเตือนไม่ใช่เรื่องของนศีฮะอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งทีนี้ครับเรามาถึงตามคำถามนะครับว่าแค่ไหนที่จะไม่กลายเป็นการบน่นแค่ไหนที่จะไม่เป็นการบน่นคำถามนี้น่าสนใจครับคาถามนี้น่าสนใจก็คือตบใดก็ตามที่เราพยายามพูดให้น้อยที่สุดแล้วไม่มีการลําเลิกในนั้น แล้วไม่มีการลำเลิกในนั้นเมื่อนั้นยังถือว่ายังอยู่ในขอบข่ายที่ว่ายังรับได้เพราะอะไรครับผูลรับสมบหฮาตรากล่าวว่าเกาลุมมะรูฟุวะมักฟีรอตุนคอยรุมมินซาดะกติยะตะบาอูฮาอาจาผู้รบบอกว่าไงครับคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรแต่เขาพูดคำพูดที่ดีเป็นคำพูดที่ให้กาลังใจ เป็นการพูดตักเตือนเป็นการขอไปโทษต่อเลาะเป็นการส่งเสริมให้คนขอไปโทษต่อเลาะเพวาเราบอกว่าดียิ่งกว่าคนที่เขาบริจาคทานแล้วเขาพูดล้ำเลิกนนเนี่ยนะเนี่ยเมื่อวก่อนเนี่ยฉันไม่บริจาคช่วยนะีแก้ข้อแม่ได้มากขนาดนี้หรอกเนี่ยเนี่ยดูสิครอบครนะัวนั้นเนี่ยแต่มันรวยเมื่อก่อนมันจนเมืนน่อก่อนเมืม่อานฉันฉันคอยช่วยเหลือมันตลอดนี่คือการล้ำเลิกการล้ำเลิกถึงขั้นทําให้ซาร์กอรเนี่ยไร้ค่าไปเลย พี่น้องคิดดูน่ากลัวแค่ไหนสระก้อนสิ่งที่ล้อรักมากที่สุดที่ท่านนบีมัสยิดส์ลามบอกว่าเป็นสิ่งที่ดับความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ได้การบริจาคการการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีงามในอิสลามสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์รักนี้ถูกทําลายได้ด้วยกับการลําเลิกเพราะนั้นผมก็เลยบอกในเรื่องของการบ่นเนี่ยบางทีถ้าเราบ่นแล้วมันมีเรื่องของการลําเลิกเข้ามาเมื่อนั้นแหละการงานที่เราทํานั้นถือว่าไรค่าไปแล้ว เนี่ยฉันอุตส่าห์ทำให้กับพี่ตั้งนานเนี่ยทำไมพี่ไม่เห็นคุณค่าสินี้ฉันทำบ้างเลยเนี่ยอันนี้เข้าข่ายอันตรายล้วแต่ถ้าบางคนบอกว่าบางเรื่องถ้าไม่พูดเขาไม่รู้มันต้องพูดบางอันนี้ก็แล้วแต่เขาวันละอะไรล่ะคือแต่ละคนก็พยายามทำในส่วนที่เราคิดว่าอัลลอฮ์น่าจะรักเราที่สุดเรื่องอะไรที่ว่ามันจะเป็นต้องพูดอันไหนจําเป็นต้องเตือนบางทีก็ต้องพูดบางทีก็ต้องเตือนใจเรารู้ดีครับ ใจเรารู้ดีว่าที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเจตนาลำเลิกหรือว่าเป็นเจตนาอยากจะเตือนเราไม่ต้องไปแก้ตัวกับใครถ้าเจตนาชัดเจนพ่อ ร, รู้เจตนาเราเพราะฉะนั้นการระบายนะครับระบายเท่าที่จําเป็นจริงๆบางทีมันก็อาจจะอยากได้กําลังใจอย่างบางทีสามีภรรยาพอกลับเข้ามาบ้านบางทีมันอยากจะพูดสุดๆแล้วมันเหนื่อยมันอะไรเลอเกินบางทีก็อจะทำดีล้านวะพี่วันนี้เหนื่อยจังเลย ยิ่งพูดน้อยยิ่งดีพูดบ้างได้แล้วก็คนใกล้ตัวนยครับก็ต้องหัวไวนิดนึงถ้าเกิดว่ามีใครคนใกล้ตัวเราที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขา อ, อ, เอ่อนแรงเนี่ยอ่อนแรงเนี่ยก็ต้องมีการไปปลอบประโลมก็ต้องมีการใส่ใจก็ต้องมีการให้กำลังใจเรื่องนี้สำคัญครับการเติมเต็มกำลังใจเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันต้องการกาลังใจ บางทีคือมันเหนื่อยมันหนักมันแย่มันมันไม่ไหวแล้วมันรู้มันต้องดันทุลังไปแต่บางทีการมีกำลังใจที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยกันได้เยอะเพราะนั้นก็ก็ฝากนะครับดูคนใกล้ตัวเราให้ดีหน่อยนิดนึงพยายามให้กำลังใจเราบางทีไม่ต้องรอให้เขาบน่นพยายามสอบถามเขาพยายามปลอบใจเขาพยายามให้ความช่วยเหลือเขาแล้วถ้าเรามีเรื่องอะไรหนักๆเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องไปยัดให้เขาฟัง ถ้าเราเลือกที่ว่าจะช่วยเหลือเขาเอาลัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราเองที่น้องกามาตาดีนุตูดานกามาตูดานุตัดินเราหยิบยื่นอะไรให้กับใครสิ่งนั้นแหละอลัลลอฮ์จะให้เราได้รับมันด้วยอาจจะได้รับทันทีได้รับดีกว่านั้นหรือได้รับในภายหลังแล้วก็เช่นเดียวกันครับอะไรที่เราถูกคนอื่นยัดให้กับเราเรามักจะตอบกลับสิ่งนั้นให้กับคนอื่นด้วยเพราะนั้น สังคมมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันเพราะนั้นฝากในสี่หาทุกท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะคู่ครองแล้วเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็ตามพยายามให้กำลังใจกันเหมือนกับที่เรากล่าวไว้ในสุราโอนี้แหละครับเรายังไปไม่ถึงเนาะวัตวาโซบิซอปริวับิลมารหามะก็ต้องมีการพยายามที่จะเตือนกันพูดคุยกันสั่งเสียกันว่าต้องอดทนนะชีวิตมันหนักนะเราต้องไปด้วยกันนะพูดกันด้วยบิลมารหามะด้วยกับความไม่แต่ซึ่งก็ยินชาวร้อนครับ ไม่มีบททดสอบในที่ผ่านไม่ได้ไม่มีบททดสอบไหนที่ผ่านไม่ไ ด, ไไไได้ต่อให้เรามองไม่เห็นทางออกพวกบล็อตซูฮานโนตาลาจะเป็นผู้ให้ทางออกกับเราอย่างแน่นอนครับผมมีสายรายงานมากมายที่พูดถึงการล้ำลึกถึงพวกบล็อตซูฮานวนตาลาแต่ว่าในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะพอเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงอีบาดาของลิ้นอันสุดท้ายอันที่3นั่นก็คือการใช้คําพูดที่ดี การใช้คําพูดที่ดีเพราะเราบอกอีบาร์ดะของลินเนี่ยมีอยู่3าอย่างนะอย่างน้อยที่สุดมีอยู่สอย่างอย่างแรกก็คือทําอีบาร์ดะด้วยกับการเงียบอย่างที่2ก็คือทําอีบาร์ดะด้วยกับการระลมมึกถึงหลอ Allah, ซึ่งสองอย่างมาพร้อมกันได้เงียบกับระลึกถึงหลอเงียบก็คือไม่ต้องบอกอะไรให้ใครได้ยินระลึกถึงหลอไปในใจเอาหรือว่าพูดเป็นการระลึกถึงหลอเอาอันที่สามซึ่งเราจะคุยกันในครั้งหน้าก็คือการใช้คําพูดที่ดีซึ่งประโยชน์มีมากมายครับแล้วก็เป็นคําสั่งใช้ จากพ่อรัสสุภานุวัตตาลาด้วยซ้ำนะครับว่าคนเรานั้นต้องพูดให้ดีพูดดีพูดอย่างไรครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดไม่ดีไปแล้วมีวิธีหักล้างไหมอินชาอลอสครับเราน่าจะได้พูดคุยกันในครั้งหน้าด้วยความเมตตาของพ่อรัสสุภานุวัตตาลาครับผมมีพี่น้องบางท่านทักมาก่อนที่เราจะจบในวันนี้นะครับคุณข้อดีบอกว่า คำอลาบบางคำอยากให้จานแปลภาษาไทยบารักอลฟีกุมผมผมต้องขอมาอนะครับบางทีผมอาจจะเผลอทับศัพท์อะไรไปแล้วก็บางทีบางท่านมันเป็นข้อเสียของผมนะครับเป็นข้อเสียของผมต้องขอมาอัพด้วยจะพยายามทับศัพท์ให้น้อยลงแล้วก็จะพยายามแปลคําทุกคํานะครับผมเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมออขอร้องไม่ตาพวกเราทุกคนครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับในวันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีท่านใดมีคําถามอะไรนะครับผมดู ข้าๆยังไม่เจออะไรนะครับผมก็จะมีตัวพี่น้องที่สลามมา่ถ้าผมลืมตอบสลามท่านใดก็วารีคุณสลามอัลลอฮฺวาบาริกาตอแล้วก็พี่น้องที่รักยิ่งครับในสลอฟบารัดเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเราต้องคุยกันอีกยาวแค่ไหนผมคิดว่าพี่น้องแน่จะไม่รีบเนาะสลอฟบาลัดผมผมพยายามจะจะไม่ให้เกินสิบห้าตอนินช้าร้อนนะครับผมเราไปเรื่อยๆแต่หวังว่าจะได้ประโยชน์ สูงสุดจากอัลกุรอานที่เราพูดคุยกันไม่ใช่ความหมายทั้งหมดของกุรอานนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีโอกาสไปศึกษาหนังสืออธิบายต่างๆมีเป็นมากกว่า10ชุดที่ว่าเป็นที่แพร่หลายนะครับผมจะพบว่าอัลกุรอานเนี่ยลึกซึ้งครับเกินความสามารถของมนุษย์มนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่เราจะแต่งกุรอานแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องแต่งครับผมแค่ทาความเข้าใจในเนยะของกุรอานทั้งหมดในทุกมิติ มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วพยายามได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดครับเราขอด้ว่าจากพวกลัทธิสุบฮานนหัวตายแลนะครับยาร์ลอพวกเรานั้นได้ยืนยันและก็เป็นสิส่งสขีพยานว่าไม่มีพระเจ้าใด น, นอกจากพระองค์พคกนั้นมีเพียงพระองค์เดียวและพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งพระองค์นั้นไม่มีลูกและพระองค์นั้นก็ไม่มีบัมพบุรุษเช่นเดียวกันยาร์ลอครับในสิ่งที่เราผิดพลาด ทั้งในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันในบาปในสิ่งที่เราไม่รู้หรือในสิ่งบางอย่างที่เราก็รู้แต่เราก็ยังทําบาปอยู่อย่าล้อขอให้เรานั้นมีความมุ่งมั่นแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้วก็ขอโดยจากโพล้อให้อภัยเราในสิ่งที่เราผิดพลาดไปอย่าล้อขอให้เรากุรศลนั้นเป็นแค่ตาดวงใจของเราขอให้เ ร, รากุศลนั้นเป็นเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิในหัวใจของเราที่ว่าใช้กําลังใจเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ผ่านบททดสอบของวงในโลกตุนยา ยอล้อบททดสอบของนุ ญ, ญาตนั้นมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินยอล้อเมื่อพวกเราจะทดสอบเราก็ขอให้พวกทดสอบเราโดยให้เรานั้นมีความหนักแน่นมั่นคงพอที่จะผ่านมันไปได้ในสภาพของบ่าที่พวกอลลอรักยอล้ออย่าได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่หนักหนักเหมือนกับที่พค์ทดสอบคนก่อนหน้าพวกเรามายอล้อในทุกๆบททดสอบนั้นขอพงให้มันมีความง่ายดายอยู่ในนั้นขอให้มันมีความเมตตาของพงอยู่ในนั้นแล้วก็ขอให้มาเป็นบททดสอบที่ทำให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อย อย่าละขอให้ผู้ศรัทธาเรานั้นมีความรักไข่สมัครสมานสามัคคีกันขออย่าให้หัวใจของเรานั้นมีความเกลียดชังต่อบรรดาบุคคลที่พวกอราลรักได้เถิดอย่าลโปวดให้ริสกีเราอย่าละปวดให้ริสกีเราด้วยกับการที่เรานั้นรักพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นได้ริสกีด้วยกับการที่เรานั้นรักสิ่งใดก็ตามที่จะทําให้พระองค์นั้นรักเราแล้วก็ขอให้เรานั้นได้รับริสกีด้วยกับการที่เรานั้นรักบุคคลใดก็ตามที่พระองค์รักเขา โอพระลโป่วให้ภัยกับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาก่อนหน้าพวกเราแล้วก็ภัยแก่พวกเราแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้อยู่ร่วมกันในส่วนชั้นฟุตเดวชั้นสูงสุดใต้รัชของพระลด้วยความไม่ตาของพระองค์ด้วยเถิดรบอานาอตินะวิตุญญาหัสนาวะฟิลอากรตสนาวกินอาบันนารวะอาคิูดาวานะอินฮัมดุลิลลารับบิลอาลามนซุบฮานัลลอฮมะวะฮัมดิกะอัลดลลาอิลาฮิลลัตตอัสัริกะวะตูบิลล จนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปด้วยความเมตตาของ Allah อินชาอัลละฮ์ครับ s a ั a a m u ว l a i k u m w a r a ครับ